พระนาคเสนได้ย้อนถามพระเจ้าไม่ลินว่าทานที่ควรยกเว้นอันจัดเป็นทานที่ไม่ควรให้ในทักขินายะบุคคลผู้มาถึงมีอยู่ในโลกบ้างหรือไม่ถ้าหากว่ามีผู้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะเช่นชผู้ที่ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบที่เป็นทักขินายะบุคคลผู้มีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะ มีของที่ไม่ควรเอาไปถวายท่านเนี่ยมีบ้างไหมนะก็แปลว่าของที่ไม่สมควรที่จะถวายพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมีไหมพระเจ้ามิเินบอกพระคุณเจ้าหน้าเกษตการให้สิบอย่างเหล่านี้แลเป็นการให้ที่บัณฑิตทั้งหลายไม่นับว่าเป็นทานอันนี้คารวะเขาพูดเองเนะไม่ใช่พระเทพงั้นพระเจ้ามิเินบอกว่าผู้ใดให้สิ่งสิบอย่างเหล่านั้นเป็นทานผู้นั้นมีอันต้องไปอบาย การให้สิบอย่างอะไรบ้างพระขุนเจ้ามัชชะฐานังการให้น้ํนาเมาเป็นทานบัณฑิตทั้งหลายไม่นับว่าเป็นทานในโลกผู้ใดให้น้ําเมาเป็นทานผู้นั้นมีอันต้องอบายก็คิดดูว่าถ้าหากว่าแหมเกิด น, นึกอยากเลี้ยงเหล้าพระทั้งวัดอย่างเงี้ยยังว่าจะเป็นยังไงดีอ๋อเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพเองเลยนะเลี้ยงเล่าเลี้ยงเบียร์กันทั้งวัดเนี่ย น, นะดนตรีสนั่นไมหมดนะ จะไปโก้ตรงไหนใช่ไหมเพราะนันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหตุไปสู่าบาปสองสมัชชะทานังให้มหรสพ ฟ, ฟอ้อนรำเนี่ยนะเรียกว่ามาร้องรำทําเพลงให้พระดูเนี่ยนะจะได้บุญตรงไหนใช่ไหมต่อไปอิฐีทานังถวายผู้หญิงให้เนี่ยนะหรือว่าอุสภาทานังถวายเรียกว่าให้โคผู้ให้ไปสมสู่กับโคเมียเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่การตั้งคันอันนี้ก็ไม่เป็นบุญ ต่อไปก็จิตตกรรมทฐานังให้ภาพจิตกรรมครับภาพภาพจิตตกรรมก็คือเช่นจิตตะกรรมเพื่อยั่วยุนอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะศัทธาทานังให้ศาสตราอาวุธเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้ใจดีมากเลยให้อาวุธนิวเคลียร์เลยไงนีอันนี้ไม่เป็นบุญแล้วก็วิสะทานนางก็คือให้ยาพิษก็ไม่เป็นบุญสังคลิกทานังให้โซ่ตรวนเนี่ยนะเครื่องเครื่องล่ามเครื่องอะไรนะเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องล่า ม, า ม, มก็ไม่เป็นบุญแล้วก็ให้ ให้สุกรที่ให้เขาเอาไปฆ่าเป็นต้นก็ไม่เป็นบุญหรือให้เครื่องเครื่องตวงเครื่องวัดเครื่องช่างโกงเนี่ยนะเครื่องประเภทเครื่องตวงเครื่องช่างโกงบัณฑิตก็ไม่นับว่าเป็นทานในโลกผู้ใดให้เครื่องช่างโกงหรือให้เครื่องตวงวัดโกงผู้นั้นมีอันต้องไปอบายอ่านเปรตตวัตถุเนเห็นชัด พระคุเจ้าน้าเกษนการให้สิบอย่างเหล่านี้แหลเป็นการให้ที่บันทิตทั้งหลายไม่นับว่าเป็นทานผู้ใดให้สิ่งสิบอย่างเหล่านั้นเป็นทานผู้นั้นมียนต้องไปอาบายนะนะกไรคืออาบายเหมือนนที่นี้ก็อันนี้เป็นคําที่พระเจ้าไม่ริบตอบพระน้าเกษนที่บอกว่าไม่สมควรให้แก่ทักขินายกบุคคลเนี่ยมีอยู่หรือซึ่งก็ตอบไปแล้วว่ามีสิบอย่างพระน้าเกษนก็กล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพร อาตมาภาพไม่ได้ถามถึงการให้ที่บัณฑิตทั้งหลายไม่นับว่าเป็นทานอ น, นั้นคือคือคำถามว่าพระเจ้าขอพาพระน่าเกษถามว่าทานวัตถุที่ควรยกเว้นเนี่ยนะที่เป็นของที่ดีมีประโยชน์เนี่ยอันจัดเป็นทานที่ไม่สมควรให้มีอะไรมั่งที่เป็นของที่ดีเว้นสิบอย่างเนี่ยที่ไม่ควรแก่การ ให้ทานแก่ทักทินายกบุคคลเนี่ยมีไหมขอถวายพระพรอาตมาภาพถามถึงการที่ถึงสิ่งที่นับว่าเป็นทานนั่นแหละว่าขอถวายพระพรทานที่บุคคลควรยกให้อันจัดเป็นทานที่ไม่สมควรในทักทินายกบุคคลผู้มาถึงมีอยู่ในโลกบ้างหรือไม่หมายคมว่าไม่ใช่ของสิบอย่างนะของที่ดีๆทั้งหลายมีอะไรม้่งไม่ควรแก่การให้ทาน นะเว้นสิบอย่างนะเว้นสิบอย่างนั้นมีอะไรบ้างไม่คู่ควรกับการให้ทานเลยมีไหมพระเจ้าไมลินก็ตอบว่าพระขุณเจ้าทานที่ควรยกเว้นจัดเป็นทานที่ไม่ควรให้ในทักขยนายะบุบคคลผู้มาถึงหามีอยู่ในโลกไม่แปลว่าทุกอย่างในโลกนี้เว้นสิบประการนั้นเสียควรให้ทานได้หมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่ควรให้ คนบางคนเมื่อเกิดจิตเลื่อมใสขึ้นมาย่อมให้โภชนาหารแก่ทักกินายะบุคคลทั้งหลายบางคนก็ให้โภชนาหารบางคนให้เครื่องนุ่งห่มบางคนให้ที่นอนบางคนให้ที่อยู่อาศัยบางคนให้เครื่องปูลาดและผ้าห่มบางคนให้ทาตหญิงทาตุชายให้ทาตเป็นทานเนี่ยนะบางคนก็ให้ทุ่งนาให้ท้องนาบางคนก็ให้สัตว์สองเท้าให้สัตว์สี่เท้า บางคนก็ให้ทรัพย์ร้อยหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งบางคนก็โยกราชสมบัติให้บางคนเนี่ยให้ชีวิตเป็นทานไปเลยพันสรุปว่าไม่มีอะไรที่ไม่สมควรให้เว้นสิบประการที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่ไม่สมควรจะให้ไม่มีหรอกพระนาเกษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพีศก็ถ้าหากว่าบางคนแม้แต่ชีวิตก็ยังให้ได้เพราะเหตุไรผู้คนทั้งหลายจึงพากันโจมตีพระเวสสันดร อ, อย่างรุนแรง เมื่อพระองค์ทรงให้อรสที่ดาพระฉายาเป็นทานนบดีแล้วเล่าอ้าวก็แม้กระทั่งชีวิตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรให้ถ้าสมควรอ่ะนะแล้วทำไมมาโจมตีพระเวสสันดรกันหลือเกินเนี่ยนะขอถวายพระพรอันหนึ่ง น, นะเขายกตัวอย่างมาเปรียบเทียบ ว, ว่าเรื่องที่บิดาผู้กู้หนี้เขามาก็ตามหาเลี้ยงชีพอยู่เป็นปกติก็ตามบิดาบางคนก็ย่อมให้บุตร ไปใช้ขัดหนี้เข้าบ้างเช่นบางคนเนี่ยหนี้เยอะใช่ไหมไปกู้เขาไว้มากทำไงดีเอาลูกไปเอาลูกไปใช้งานก่อนก็นแล้วกันหวังกันซึ่งหาหาหนี้หาเงินก้อนหนึ่งไปใช้ได้เมื่อไหร่ก็เอาลูกคืนเพราะฉนก็ให้ลูกไปทํางานให้ก่อนก็นแล้วกัน น, น, นะนะบางคนก็เอาบุตรไปขายบางเรียกว่าขายลูกเลยนะขายลูกเลยก็มีอันนี้เนี่ยนะการให้ลูกไปใช้ขัดหนี้หรือเอาลูกไปขายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติของชาวโลก ชาวโลกเขาคุ้นเคยกันอยู่ไม่ใช่หรือเนี่ยนนะก็อันนี้เราเคยได้ยินข่าวกันบ่อยๆนะโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยขายลูกนี่ว่ากันซึ่งพระเจ้ามิเินก็ยอมรับว่าใช่พระขุนเจ้าเรื่องที่บิดาผู้เป็นหนี้เขาก็ตามหาเลี้ยงชีพอยู่เป็นปกติก็ตามย่อมได้บุตรคือให้บุตรเนี่ยไปใช้ขัดหนี้หรือเอาบุตรไปขายอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของชาวโลกชาวโลกเขาคุ้นเคยกันอยู่ เขาปกติเขาก็ใช้วิธีนี้กันไม่ใช่น้อยเนี่ยนะพระนากเซณก็กล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพรถ้าหากว่าบิดาผู้กู้นี่เขาก็ตามหาเลี้ยงชีพอยู่เป็นปกติก็ตามย่อมได้บุตรให้บุตรเนี่ยไปใช้ขัดหนี้เขาเอาบุตรไปขายได้ไซส์นั่นนะแม้พระราชาพระเวสสันดรเมื่อไม่ทรงได้พระสัพพัญยุตยาน ถ้าหากว่าพระองค์ยังไม่ได้บดรรลุสัพพัญญุตญาเนี่ยนะพระองค์ก็ลําบากอยู่แล้วก็เป็นทุกข์พระองค์ก็ย่อมทรงให้โอรสธิดาและฉายาไปเป็นมัดจําหรือเอาไปขายเพื่อประโยชน์แก่การได้มาซึ่งทัพคือทำหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์คือโพธิยานอันนั้นต์เหมือนกัน น, นะท่านต้องการโพธิยานท่านก็เลยขายลูกขายเมียอย่างั้นนะขายลูกขายเมียเพื่อโพธิยานแต่เมียก็ยินยอมนะ ขอถวายพระพรเพราะเหตุนั้นก็เป็นอันว่าพระราชาเวสันดรทรงให้สิ่งที่คนอื่นให้กันนั่นแหละก็เป็นเรื่องปกตินะทีเอาลูกไปจำนองกินเหล้าเมายาเล่นการพนันที่อย่างนี้ไม่เห็นไง ใ, ใครยกมาด่าเลยใช่ไหมกลายเป็นเรื่องปกติที่พระพุทธพระเวสันดรให้ทานเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ากลับมามาต่อรอต่อเทีย่ยงกันอย่างนั้นอหไรงั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทําเหมือนกับคนที่คนอื่นเขาก็ทํานั่นแหละแต่เป้าหมายต่างกันใช่ไหมพระเวสันดรนั้นให้ทานเพื่อต้องการ สัพพัญยุตยาณตอนนั้นพระองค์ลำบากพระองค์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจำต้องเขาเรียกว่าขายลูกขายเมียจึงจะได้พระพุทธเจ้าดีไม่ดีต้องขายเนื้อขายเลือดขายดวงตาขายอวัยวะในที่สุดขายชีวิตเพื่อซื้อโพธิญาณเหมอนนขอถวายพระพรเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงติเตียนพระราชาเวสสันดร ผู้ทรงเป็นฐานนบดีด้วยการให้ทานอย่างรุนแรงแล้วทําไมมาโจมตีกันอะไรมากขนาดนี้ใช่ไหมเขาก็ทําเรื่องปกติปกติคนทั่วไปก็ทําอย่างนี้แหละพระเจ้าไม่เลี้ยก็บอกพระคุนเจ้าข้าพระเจ้าไม่ได้ตําหนิทานของพระเวสสันดรผู้เป็นทานนบดีเพียงแต่ว่าเมื่อมีผู้มาขอโอรสทิดาฉายาก็น่าจะมอบตอนเองให้เป็นทานเออเขามาขอลูกขอเมียก็ให้ตัวเองไปสิเนี่ยทําไมต้องยกลูกยกเมียให้แบบนั้น พนาเกษตก็ตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ว่าเมื่อมีผู้มาขอโอรสพรทัตยาก็น่าจะมอบตนเองให้แทนนี้จัดว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีงามเพราะเขาไม่ได้ขอหวังงั้นเมื่อมีผู้มาขอสิ่งใดๆก็น่าจะให้สิ่งของนั้นๆนั่นแหล่อันนี้จึงจะจัดว่าเป็นการกระทําของผู้ที่เป็นสัตว์บุรุษเนี่ยนะสัตบุรุษทั้งหลายก็ให้ตามความประสงค์ของผู้ขอ ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนต้องการน้ําดื่มขอให้นําน้ําดื่มมาให้บุรุษผู้ใดให้ข้าวเขากินบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นผู้ทํากิจที่ควรทําหรือหนอเอางเข้าร้านอาหารไปสั่งน้ํากลับไปได้ข้าวผัดมาไงนะง่ายไปสั่งสั่งข้าวผัดกลับยกน้ำน้ำแข็งเปล่ามาให้เนี่ยจะทําไงน่าสนใจไหมเป็นต้นเนี่ยมันก็ต้องควรจะให้ตามความ ประสงค์ใช่ไหมพอดีสั่งเ๊ปซี่เขายกเบียร์มาให้อย่างนี้นะอยงมันจะไเข้าเรื่องเข้าราอะไรใช่ไหมก็ไม่เหมาะสมพราั้นเขาขออะไรก็ต้องให้อันนั้นแหละ พ, พระเจ้ามิรินก็บอกว่าไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทํากิจที่ควรกระทํารอกพระคุณเจ้า น, นะก็ก็ใช่อ่ะ น, นะก็เขาขออะไรก็ต้องให้อันนั้นแหละมันสมควรแล้วละ่ะเพราะเมื่อเขาขอสิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นนั่นแหละแก่เขา จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจที่ควรทำสังเกตดูนะว่าพระเจ้ามิลินนะไม่ใช่เป็นคนตะแบงนะเมื่ออะไรที่คุยกันด้วยเหตุผลก็จะยอมรับด้วยเหตุผลแต่มีประเด็นที่น่าแยง้งท่านก็จะแย้งไปเพื่อจะฟังว่าอีกฝ่ายจะตอบว่าอย่างไรแต่ถ้าหากว่ามันสมควรกับเหตุผลก็เปลี่ยนประเด็นเนี่ยนะก็เปลี่ยนประเด็นเป็นลักษณะของวิสัยบัณฑิตเนี่ยนะเขาเขาบอกว่าบัณฑิตเนี่ยรู้ได้ด้วยการ สนทนาเมื่อสนทนาแล้วเนื้อความจะลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเนี่ยนะจะผูกในตรงที่ควรผูกจะแก้ในสิ่งที่ควรแก้แล้วเมื่อผู้อื่นพลังก็ไม่เรียกว่าไม่ซ้ําเติมเป็นต้นเนี่ยก็จะช่วยประคับประคองกันไปอันนั้นเป็นลักษณะของการสนทนาของบัณฑิตนั้นบัณฑิตเนี่ยสนทนากัน3ามชั่วโมงก็ไม่เคยทะเลาะ ก, กันแต่คนผ่านคุยกัน3ประโยคแค่นั้นแหะโอ๊ยมันขัดแย้งขั ด, ข, ดข้ากันมันเป็นไม่ได้ยังไงก็ยังมาคุยกันไม่ทันรู้เรื่องทะเลาะ ก, กันนะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเลยนะ ขอถวายพระพรโอปมาชันใดอุปไมยก็ชันนั้นเหมือนกันเมื่อพราหมณ์มาทูลขอพระโอรสธิดาพระฉายาพระเวสสันดรก็ทรงมอบโอรสธิดาและฉายาให้ไปขอถวายพระพรถ้าหากว่าพราหมณ์จะพึงทูลขอสรีระของพระเวสสันดรายถ้าเกิดพระเวสเกิดชุชกขอนะพระองค์ก็จะไม่ทรงรักษาพระองค์เองเอาไว้พระองค์ไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงห่วงใยใน พระองค์เลยนะ่เพราะอะไรตอนอายุ8ดขวบเนี่ยนะท่านก็นั่งนแะท่นหนึ่งก็คิดว่านะถ้าใครมาขอเลือดท่านก็จะบีบเลือดให้ใครจะมาขอเนื้อก็จะจำแหละเนื้อให้ใครมาขอศรีรษะก็จะประดับเสร็จแล้วก็ตัดให้ใครจะมาขอหัวใจก็จะผา อ, อกให้เป็นตนน้นนะใครจะมาขอเป็นทาตก็จะยอมไปเป็นทาดเขาตอนอายุ8ดขวบเนี่ยท่านคิดได้อย่างนั้นแผ่นดินไหวเลยอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่1นี น้พระเวสสันดรนี่ก็มีความตั้งใจไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาขอจริงก็ให้พระองค์ก็จะไม่ทรงรักษาพระองค์เองเลยเพราะพระองค์ไม่หวั่นไหวไม่ห่วงใหญ่ตัวพระองค์พระองค์ทรงมีอันจะมอบสรีระให้ไปบริจาคไปแน่เทียวขอถวายพระพร ถ้าหากว่าจะมีคนเข้าไปหาพระเวสสันดรผู้เป็นฐานบดีแล้วทูลขอว่าขอจงเป็นท่าของเราเสียเถิดดังนี้พระองค์ก็จะทรงมีอันมอบพระสรีระให้ไปบริจาคไปเน่แทเทียวพอให้เขาไปแล้วพระองค์ก็จะไม่เดือดร้อนใจถ้าพระองค์ให้ตัวพระองค์เองเป็นทานนพระองค์ังไม่เสียใจหรอกขอถวายพระพรพระกายของพระเวสสันดรจัดว่าเป็นของสาธารณแก่สัตว์ทั้งหลาย มากมายถือว่าเป็นของสาธารณะแล้วความเป็นพระพุทธเจ้านี้ของใครพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาของใครก็บอกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่าศาสดาของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่สมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะเพราะผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็เหมือนกับว่าท่านศรีระของท่านชีวิตของท่านก็เป็นสมบัติของสาธารณะเพราะท่านเป็นผู้ที่ทําเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเนี่ยนะ ขอถวายพระพรชิ้นเนื้อสุกย่อมเป็นของสาธารณะแก่คนทั้งหลายมากมายฉันใดเนื้อสุกแล้วเนี่ยนะพระกายของพระเวสสันดรก็จัดว่าเป็นสาธารณะแก่สัตว์ทั้งหลายมากมายฉันนั้นเหมือนกันเพราะท่านเป็นคนที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกเนี่ยนะแม้แต่ชาติเป็นพระเวสสันดรก็อยู่เพื่อความสุขของชาวโลกจนให้ปริตรสรู้เป็นพระพุพะทธเจ้าก็ทําเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลก ขอถวายพระพรหรืออีกอย่างหนึ่งต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลแล้วย่อมเป็นของสาธารณะแก่หมูนกนานาชนิดฉันใดต้นทรายอย่างยกตัวอย่างมเมล็ดทรายที่มันสุกงอมเต็มที่บนต้นไม้เนี่ยนะฉันใดพระกายของพระเวสสันดรก็ฉันนั้นจัดว่าเป็นของสาธารณะแก่สัตว์ทั้งหลายมากมายเพราะเหตุไรหรือทาไมทำไ ม, ำไม พ, รพระเวสสันดรจึงเป็นเหมือนกับคนสาธารณะขนาดนั้น เพราะพระองค์ดําริว่าเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เราก็จะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้คือถ้าหากว่าพระเวสสันดรมีความคิดว่าเราเป็นผู้นั้นเราเป็นของผู้นี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีการจัดแบ่งอยู่นะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องไม่แบ่งจะไม่รู้คําว่าแบ่งเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่มีระบบชนชั้นวันหนะ้าระบบอะไรทั้งหลายจะไม่มีพระองค์จะเป็นคนที่ไม่แบ่งเลยเนี่ยนะ เมื่อพระองค์ไม่แบ่งได้อย่างนี้เนี่ยนะพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้ไร้ทรัพย์คนหนึ่งตอนหลังก็มีความต้องการทรัพย์เที่ยวสแสวงหาทรัพย์ไปเดินไปตามทางแพบ้างก็คือแปล ว, ว่าเดินทางที่มันลำบากธุรกันดานเนี่ยเดินตามทางที่มีขวากน้ำเดินตามทางที่เป็นป่าไว้ทำการค้าขายทั้งทางบกและทางน้า ยินดีซับพยายามเพื่อการได้มาซึ่งรัพย์ลำบากด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฉันใดคนที่สแสวงหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะประกอบอาชีพในโลกเนี่ยเเห็นเลยว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอาชีพไหนมีความสุขที่สุดมันหายากนะคุณชูนะขอถวายพระพร พระเวสสันดรผู้เป็นฐานนบดีเป็นคนไร้ทรัพย์คืออริยรัพย์ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะความเป็นพระพุทธเจ้าคือผู้มีทรัพย์มากนะมีซัพย์คืออะไรศรัทธามากมีทรัพย์คือศีลมากมีทรัพย์คือฮิริโอตปะมากมีทรัพย์คือสุตตะมากมีทรัพย์คือจาระมีทรัพย์คือปัญญาเนี่ยมาก มีทรัพย์คือสติปัญญานสัมมาปัญญาปฏิบาทอินทรีย์พระโพชทธชงองค์มรมีทรัพย์คือคุณธรรมสารพัดชนิดเนี่ยมีมากตอนที่เป็นพระเวสสันดรยังจนอยู่ว่างั้นน่ะจนจนเนี่ยทำไงดีไรทรัพย์เนี่ยนะไม่มีไม่มีทรัพย์ที่จะพอจะรวยพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคืออริยทรัพย์อันนี้พระองค์ก็เลยบริจาคทรัพย์อันน่ะต้องการอริยทรัพย์คือความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บริจาคโภคทรัพย์ เช่นทัญญาหารธาตุหญิงธาตุชายยานพาหณนะสมบัติทั้งปวงพระองค์ให้ธาตุเนี่ยธาตุหญิงธาตุชายเนี่ยพระองค์ให้เป็นหมื่นหมื่นคนเลยนะให้ผู้หญิงเป็นทานนี่ให้เป็นหมื่นคนอย่างเช่นพวกบริวารของท่านนะ น, นะอย่างในในพวกอัปทานนี่เห็นชัดไอ้พวกที่แบบพวกผู้หญิงที่บรรลุทีหลายหมื่นเนี่ยนะพวกนั้นนะเป็นพวกที่พระเวสสันดรให้ทานมาหมดล้วเคยให้ทานซึ่งตอนหลังนางก็บอกว่าเออเนี่ย มอมชันนี่เคยเป็นสมบัติของพระองค์และให้พระองค์ให้ทานเนี่ยหลายชาติมากแล้วก็แม้แต่นางอุบลวรรณาก็พูดเหมือนกันซึ่งนางอุบลวรรณาก็ระ ล, ลึกชาติได้นะว่า น, นายเนี่ยเคยเอ่าเคยเป็นวัตถุทานของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยนะเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สละทั้งาทาตุจิงธาตชา ย, ยานพาหนะสมบัติทั้งปวงทั้งบุตรทั้งภรยาของพระองค์เองในที่สุดตัวพระองค์เองพระองค์ก็ บริจาคแก่คนทั้งหลายที่มาขอเพื่อการได้มาซึ่งพระสัพพัญยุตยานพระองค์แสวงหาแต่พระสัพพัญยุตยานหรือสัมมาสัมโพธิญาณอยู่เท่านั้นเหมือนกันมันเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยอะไรให้บ้างให้อะไรให้ไม่ได้อะไรบ้างที่ตัวเองจตระนีเป็นไม่มีหรือคิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็พะพผู้เจ้าคือใคร คือคนที่ให้สมะนะประโยชน์แกสัตว์ประาททั้งหลายคือบุคคลที่ให้ประโยชน์ในโลกนี้แกสัตว์ทั้งหลายให้ประโยชน์โลกหน้าและให้ประโยชน์อย่างยิ่งแกสัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ที่แสวงหาประโยชน์คือโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลให้แก่สัตว์ทั้งหลายแสวงหาประโยชน์คือสกทาคามิมร์สกทาคามิผลแสวงหาประโยชน์คืออนาคามิมร์อนาคามิผลแสวงหาประโยชน์คืออรหัตตมร์อรหัตตพลให้แก่สัพพะสัตทั้งหลายแสวงหาบุญกุศลให้สรพพสัตให้สัรพะสัตทั้งหลายได้บรรลุมร์ผลต่อไปในอนาคตทุกอย่างเนี่ยแสวงหาเพื่อการ ตรัสรู้ถ้าหาว่าคนที่สแสวงหาประโยชน์แก่คนอื่นจริงๆแล้วถามว่ายังมีความตระนีอยู่ในใจไหมมีอะไรมั่งที่จะให้คนอื่นไม่ได้เนี่ยนะอย่างบอกว่าพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยผู้ที่รับมองเห็นลูกรักที่สุดมีอะไรมั่งที่ตัวเองให้ไม่ได้ก็ให้ได้ทุกอย่างฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมองเห็นสรรพสัตว์เช่นกับบุตรของท่านมันท่านจะทําทุกอย่างให้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าและจะได้ช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากทุกเนี่ย ขอถวายพระพอรอีกเรื่องหนึ่งเปรียบเหมือนว่าอำมาตย์ผู้ต้องการฐานะที่เป็นใหญ่คือตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีต้องการตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเนี่ยนะย่อมพยายามเพื่อการได้มาซึ่งตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีแม้ว่าจะต้องใช้ทรัพย์ทัญญาหารเงินทองอย่างใดอย่างหนึ่งในเรือนไปทั้งหมดก็ตามฉันได้เสอ งั้นคนที่ต้องการตําแหน่งนายกเนี่ยทุ่มเทขนาดไหนเนี่ยนะกว่าจะได้เนี่ยโอ้เสียสละมหาศาลนะกว่าจะได้ตําแหน่งอันนั้นขึ้นมาชั้นใดขอถวายพระพรพระเวสสันดรผู้ทรงเป็นฐานบดีก็ทรงแสวงหาแต่สัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นทรงให้ทรัพย์ทั้งภายนอกให้ทรัพย์ทั้งภายในไปทั้งหมดแม้แต่ชีวิตพระองค์ก็ทรงให้ได้ชั้นนั้นเหมือนกันเนี่ยนะ กว่าจะได้สัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์บอกว่าโพธิญาณที่พระองค์ได้มาเนี่ยเป็นของที่ยากเนี่ยนะทที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งไม่ใช่ของง่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องให้ให้ใหใหทั้งหลายเนี่ยนะ